บทที่8สู่อบายภูมิความแตกต่างระหว่างสุขติภูมิกับอบายภูมินั้นมีอยู่ประการหนึ่งคือเราอาจกล่าวได้ว่าสุขติภูมิเป็นดินแดนแห่งฤ ด, ดูร้อนตลอดการส่วนอบายภูมินั้นเป็นเสมือนดินแดนแห่งฤ ด, ดูหนาวตลอดการฉะนั้นหมายเหตุคือในที่นี้เพราะในทัศนะของชาวตะวันตก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 เราในทุกติภูมิที่ข้าพเจ้ากําลังกล่าวถึงอยู่นี้โดยทั่วบริเวณจะมีแต่ความเยือกเย็นแห้งแลง้งอ้างหวังและเปล่าเปลี่ยวอย่างน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งมันทําให้จิตใจของเราหดหู่และเศร้าสลดอย่างบอกไม่ถูกจริงๆในบทที่แล้วมาข้าพเจ้าได้กล่าวถึงอุบายภูมินี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยยอ่อในครั้งนั้น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 แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของความจริงฉะนั้นการกล่าวถึงความจริงในบางครั้งนั้นแม้จะไม่เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือเรื่อนรมยจอยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จุดมุ่งหมายของการบรรยายครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อขู่ให้ท่านผู้ฟังตกใจกลัวการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของพวกเราเชาวโลกทิพย์แต่อย่างใดความมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็คือเพื่อแสดงให้ท่านทราบว่า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 และดูคล้ายกับจะตายม่ตายแล่ฉะนั้นต้นยญ้าก็ค่อยๆมีสีเหลืองทวีขึ้นความเขียวชะอุ่มลดน้อยลงทุกทีจนกระทั่งในที่สุดทั้งต้นยญาและดอกไม้ก็หายไปหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ภูมิประเทศอันแห้งแล้งทุร ก, กันดานเต็มไปด้วยโขดหินอยู่รอบด้านความมืดก็ค่อยๆปกคลุมขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งแสงเรืองรองอันเป็นลักษณะประจำภูมิของเรานั้น ก็ค่อยๆกลายเป็นแสงสลัวสีเทาลงและในที่สุดก็กลายเป็นความมืดดำสนิทในทํากลางความมืดชนิดนี้มีผู้มีสภาวะแห่งจิตใจยังเจริญไม่ถึงแล้วจะมองไม่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่สําหรับผู้ที่เดินทางมาจากภูมิที่สูงขึ้นไปก็สามารถมองเห็นในทํากลางความมืดได้เป็นอย่างดีโดยที่สัตว์ผู้อยู่ในอบายภูมิเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเห็นท่านได้เลย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 เมื่อนี้มีสีเขียวช้ำๆและมีกลิ่นเหม็นย่างร้ายแรงสำหรับพวกเราอันตรายอันเกิดจากการเลื่อนถลายล้มพลาดลงไปนั้นเป็นอันไม่ต้องคำนึงถึงทั้งนี้เพราะดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าอาการทางกายของเราอยู่ในบังคับของใจโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการหกล้มพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นยอมเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด หลังจากที่เราได้เดินตามทางลาดมาประมาณสักหนึ่งไม่เป็นอย่างน้อยเราจึงได้เงยมองดูรอบๆจึงพบความจริงว่าบัดนี้เราได้อยู่ภายในหุบเขามะฮือมามีสันธารเป็นวงกลมเส้น ร, รอบวงนั้นกะว่าคงยาวหลายไมยท้ทีเดียวเมื่อเหลียวไปรอบด้านก็จะเห็นคุณเขาใหญ่ตั้งตรงานอยู่ทุกทิศทุกทางตามไหล่เขาเป็นลาดหินและหน้าผาชัน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 จากไอพิษเหล่านี้ยังไม่ต้องสงสยัยแม้กระนั้นเราก็รู้ได้ด้วยญาณว่าสถานที่เช่นนี้เป็นภัยอย่างร้ายแรงเพียงใดเราได้เดินเรื่อยๆต่อมาด้วยความปลอดภัยอีกครู่หนึ่งเมื่อได้เพ่งสายตาฝาไอพิษออกไปเบื้องหน้าก็หลายเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นเงาดำๆอยู่ในความมืดสลัวนั้นครั้งแรกข้าพเจ้าก็คิดว่า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 เป็นผู้มีจิตใจชั่วหยาบอย่างร้ายแรงในดวงจิตของเขาไม่มีสิ่งใดนอกจากความปรารถนาในทางที่ชัว่วและความต้องการที่จะกระทํากรรมอันลามกน า, นานาประการจิตใจของเขาถูกครอบงําอยู่ด้วยอกุศลวิตกเป็นส่วนมากฉะนั้นหลังจากที่เขาได้ละทิ้งกายเนื้อมาแล้วเขาจึงได้มาอยู่ในสถานที่อันสมควรแก่เขาอย่างแท้จริง สถานที่เช่นนี้เองคือมรดกแห่งกรรมอันชั่วร้ายและแห่งจิตใจอันหยาบช้าของเขาทั้งหมดนี้เป็นผลกรรมของเขาเองทั้งสิ้นเมื่อเราเดินต่อไปอีกพักหนึ่งก็ปรากฏว่าหนทางได้ลาดลงไปอีกแล้วเราคือข้าพเจ้ากับรูตก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องประสบภาพที่น่าสังเวชน่าเกลียดและน่ากลัวยิ่งขึ้นไปทุกที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 เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ก็ได้เห็นร่างซึ่งน่าจะเป็นร่างของสัตว์มากกว่ามนุษย์นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นหินโดยทั่วไป้าปรเจ้าไม่อยากใช้คำว่าร่างมนุษย์ก็เพราะสภาพที่ลายเห็นอยู่นั้นทำให้เกิดความสังเวชอย่างสุดที่จะปัญญายได้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นร่างของผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาแล้วจริงๆเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดร่างกายอยู่นั้น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 ทั้งนี้เพราะเราไม่จําเป็นต้องไปถามสัตว์เหล่านี้ถึงความเป็นมาแต่เบื้องหลังของเขาแต่อย่างใดกรรมของสัตว์แต่ละประเภทนั้นเราจะอ่านได้จากรูปร่างลนะักษณะและดวงหน้าของสัตว์ประเภทนั่นเองนอกจากนั้นผู้ชานาญในทางนี้จะสามารถทราบไดทันทีว่าสัตว์ผู้ใดมีความรู้สึกสํานึกผิดแล้วและกําลังต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านก็จะได้ให้ความช่วยเหลือทันที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 เขาได้รับความทุกข์ทรมานอยู่หน้าที่นี้มาแล้วหลายร้อยปีครั้งเมื่ อ, อยังเป็นมนุษย์เขาไม่เคยละเว้นหรือปราณีผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากว่าจะมีช่องทางกระทำได้เพื่อประโยชน์ของเขาเองเขาไม่เคยคิดถึงความทุกข์ทรมานทางกายและทางใจของเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นเลยในที่สุดกรรมอันเลวร้ายต่างๆที่เขาได้กระทำแก่ผู้อื่นทั้งหมดนั้น ได้สะท้อนกลับมาหาเขาอย่างเต็มที่จนหมดสิ้นสิ่งที่เป็นมรดกของเขาในบัดนี้ก็คือความทรงจำอันไม่มีวันลืมเป็นความทรงจำที่ฝังแน่นอยู่ในสมองชนิดที่จะทำอย่างไรอย่างไรก็ลืมไม่ได้เขาถูกหลอกหลอนอยู่ด้วยอำนาจแห่งผลกรรมอันชั่วร้ายในอดีตอยู่ตลอดเวลาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์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 เขาลืมไม่ได้จริงๆเพราะเขารู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างคอยกระตุ้นเตือนทําให้ต้องระลึกถึงความเลวร้ายของตนเองอยู่ตลอดการนอกจากนั้นความรู้สึกพลานในใจที่ต้องตกมาอยู่ณสถานที่นี้ได้เป็นเครื่องเพิ่มความทุกข์ทรมานของเขาให้ยิ่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณ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 ในบรรดาสัตว์ผู้เสวยผลกรรมของตนเหล่านี้หากผู้ใดรู้สึกสมมึกผิดในบาปของตนเองแล้วก็พร้อมที่จะมีผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำเพื่อปลดเรื่องบาปนั้นให้หมดสิ้นไปดูวรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่เท่าที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านะบานัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดมีความสำนึกเช่นว่านั้นเลยในภาวะเช่นนี้เราย่อมไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างใดเลยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะความจริงแล้วผู้ที่อยู่ในภูมิสงฆ์ขึ้นไปต่างพากันเอาใจช่วยและคอยหาโอกาสช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาขอแต่เพียงให้สัตว์เหล่านี้สำนึกผิดและไกรปลดเรื่องตนให้พ้นจากบาปเท่านั้นก็จะมีผู้ช่วยเหลือโดยเต็มใจและโดยไม่ชักช้าเราพากันเดินต่อไปอีก ในม่ช้าก็ได้มาถึงที่โลง่งซึ่งมีพื้นที่ราบเรียบกว่าเดิมสังเกตว่าในบริเวณนี้มีผู้คนหนานแน่นยิ่งกว่าที่เราผ่านมาแล้วแต่อันที่จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นร่างของผู้ที่เสวยผลกรรมอยู่ในบริเวณนี้โดยใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่าหากมิใชยเป็นเพราะเขาเหล่านั้นได้เคยเป็นมนุษย์มาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่สมควรจะเรียกว่าเป็นร่างของคนเลยแม้แต่น้อย ผู้คนในบริเวณนี้มีลักษณะท่าทางต่างๆกันบางก็ น, นั่งอยู่บนก้อนหินเป็นกลุ่มกลุ่มลักษณะท่าทางดูคล้ายๆจะปรึกษาแผนการร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีจับ ก, กลุ่มกันขู่เข็นทรมานผู้อื่นซึ่งกําลังสวยกรรมอย่างเดียวกันณนที่นี้ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกดูคล้ายๆกับว่าเป็นการแก้แค้นตอบแทนความผิดที่ได้เคยกระทําไว้ต่อกันมาเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ฉะนั้น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 บิดเบี้ยววิกลจนผิดรูปสีรษะและหน้าตาเต็มไปด้วยความน่าเกลียดและน่าสะพริงกลัวที่สุดเท่าที่เราจะนึกเห็นได้เฉพาะในเวลาที่ฝันร้ายเท่านั้นบางจำพวกก็กำลังนอนแผ่แลดูเสมือนหมดเรี่ยวแรงอยู่บนพื้นดินหลังจากที่ได้สวยความทุกข์ทรมานมาแล้วอย่างแสนสาหัสแต่ก็เป็นการนอนรอเพื่อให้มีเรี่ยวแรงขึ้นใหม่เพื่อจะได้สวยผลกรรมต่อไปใหม่อีกเท่านั้น โดยรอบบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะเห็นมีบอ่อน้ําสีขุ่นๆอยู่ทั่วไปเมื่อเข้าไปดูข้างในระยะใกล้ก็เห็นได้ว่าเป็นขุนและเป็นเมื่อสกรปรกมีกลิ่นเหม็นอย่างสุดที่จะทนทานได้แล้วเรายิ่งรู้สึกขยะกขยงยิ่งขึ้นไปอีกในเมื่อได้เห็นร่างของผู้สวยกรรมอยู่ในบริเวณนี้พลัดตกลงไปในบอ่อครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเหล่านี้ไม่มีวันจมน้ําตายเพราะเขาจะตายไม่ได้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 มนุษย์ผู้มีจิตใจเหลวซามตามช้าทั้งหลายนั่นเองได้ร่วมกันสร้างสถานที่นี้ไว้สำหรับตัวของเขาเองในทำนองเดียวกันบุคคลผู้มีจิตใจปราณีตก็ได้ร่วมใจกันสร้างภูมิอันเต็มไปด้วยความพาสุกไว้สำหรับตัวของเขาเองภูมิเช่นนี้ย่อมเป็นสิทธิเป็นมรดกของบุคคลผู้มีจิตใจอันเจริญแล้ว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 ไม่มีใครเป็นผู้บังคับให้สัตว์ผู้สวยความทุกทรมานอยู่หน้าที่นี้ต้องเดินทางมาสู่ที่นี้เลยกล่าวโดยสรุปก็คือหลังจากการแตกดับแห่งกายมนุษย์จะเข้าถึงสภาวะแห่งโลกอันสูงหรือตามซามอย่างไรก็สุดแต่กรรมของเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะผลกรรมของเขาเองเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได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 จะมีอันหายไปเฉยๆไม่ได้เป็นอันขาดการสวยผลกรรมเป็นเรื่องส่วนตัวโดวยเฉพาะของคนทุกคนจะรับแทนกันไม่ได้เช่นเดียว ก, กันกับความตายที่ทุกคนจะต้องผ่านพบด้วยตนเองระหว่างพึ่งผู้อื่นให้ตายแทนนั้นไม่ได้ทั้งนี้หมายความว่าความพยายามทุกคนจะต้องกระทำด้วยตนเองทั้งสิน้น แต่ความหวังย่อมมีอยู่เสมอสาหรับทุกคนไม่ว่าจะตกต่ำหรือได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไดก็ตามขอแต่เพียงว่าเขาต้องตั้งเจตนาอย่างแนว่วแนว่เสียก่อนว่าจะกระทำการแก้ตัวในความผิดที่ได้กระทำมาแล้วกล่าวโดวยสรุปเขาต้องรู้สึกสำนึกผิดเขาต้องพยายามทำความดีลบล้างความผิดด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์จริงๆต่อจากนั้น